มันเนก็ดเหมือ น, นแต่ก่อนไม่ได้แล้วเกิขึ้นเมทีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วก็แบบอย่างว่าว่าไปธรรมดายิ่งทําธุระหน้าที่เพื่อส่วนรวมเป็นเพื่อหมู่เพื่อนไม่ได้ก็ยิ่งทําให้เป็นความกังวลถ้าแต่ว่ากังวลงนี่ก็ออกมาจากความสงสารนั่นเองไม่ใช่ออกมาจากอะไรนะ เป็นความให้คิดให้อ่านเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูผู้ที่จะนำประชาชนหน้าดมูมไปในทางที่ถูกที่ดีสงบร่มเย็นความเชื่อความตายใจที่เขาจะกล้าเดินตามพระนับถือพระเมืเ่อทำให้เป็นห่วงสำหรับพระมากเวลานี้ แบบแผนตำรับตำลามีก็จริงแต่เมื่อใจมันไม่สนใจที่จะทำต า, ตามแบบตามแผนตำลับตำลานั่นแล้วตำรับตำลาก็อยู่อย่างนั้นตัวก็เป็นอย่างนี้ น, นัมือหาหลักหาเกณฑ์ก็ไม่ได้มือหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ในความประคุต จิตใจเวลาจะทำให้เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามันก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันมันก็จะเอานิสัยไม่มีหลักมีเกณฑ์ในความประพฤติที่เห็นกันอยู่ด้วการนี่เหลยไปใช้ในภ า, ายนในจิตใจแล้วก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อีกนั่นคือ ศา ส, สนาของโมบูธเจ้านี่มันไม่มีอะไรจะเทียบแล้วในโลกนี้พูดตามภาษาเราฟัางการพัฒน์ ก, ก็บอกว่าไม่เหมือนอะไรว่างั้นเลยคำว่าธรรมธรรมนั่นกเหมือนกั น, กนที่อยู่กับหัวใจท่านเองนี่ยใจท่านเป็นธรรมล้วนๆเสียเองอย่างนี้เอามาเทียบกับอันใดไม่ได้ทั้งนั้น มไม่ได้มีอะไรที่จะเทียบทุกทนเลยจะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนามาแสดงนั้นเอากิริยาจากธรรมชาติอันนั้นต่างหากมาแสดงให้พวกเราฟังดังที่ว่าธรรมธรรมเป็นกิริยาหนึ่งออกมาจากธรรมแท้นั้นน่ะอันนั้นแหละที่ไม่มีจิต ด, ดวงใดที่จะทราบได้รู้ได้เห็นได้ นอกจากจิตของท่านผู้บริสุทธ์เท่านั้นไม่รู้ไม่บอกก็ตามเป็นหลักธรรมชาติที่ทรงอยู่แล้วนี่สิอันนี้สำคัญมากิัญยาที่แสดงออกมาว่าธรรมว่าถ้าทรงเป็นกิริยาอาการออกมาพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะหลักธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นพระพุทธเจ้าแท้เป็นธรรมแท้เป็นสงแท้ ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อย่างนั้นเห็นได้อย่างนั้นเป็นได้อย่างนั้นถ้าไม่จิตไม่เป็น เ, อ, เองแล้วดังจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านแต่เมื่อไม่มีสมมุติต้วยหมายป้ายทางพอเป็นแนวเป็นแถวให้รูปให้คำให้ก้าวเดินไปก็ยิ่งแล้วอีก ไม่ทราบว่าจะก้าวไปไหนเดินไปไหนบาปก็ไม่ทราบบุญก็ไม่ทราบเพราะไม่มีกิียสออกมาแสดงให้เห็นนี่แหละธรรมท่านจริงแสดงออกมาเพื่อรับสิ่งเหล่านี้เชื่องโลกทั้งหลายสั่งสมกันอยู่ตลอดเวลา่วนมากต่อมากก็คือสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองนั่นแหละ คำว่าพระเมตตาของมระเยซานจ้นนั้นไม่ได้เหมือนเมตตาของใครๆทั้งนั้นในโลกอันนี้พระเมตตาที่บริสุทธิ์พระเมตตาที่บริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนไม่มีอะไรบุกร่องการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพลังของธรรมพลังของใจจริงๆ มีพระเมตตาหนุนออกมางา น, นการเทศนาว่าการจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างในบรรดาธรรมที่นำมาสั่งสอนจัดโลกไม่ใช่สั่งสอนแบบด้นแบบเดาแบบคาดคะเนเหมือนเราทั้งหลายซึ่งฟังจากท่านแล้วก็ไม่พ้นที่จะเป็นความคาดคะเนออกมาจนได้เพราะมันไม่เห็น บอกแต่ชื่อแต่นามเฉยๆตัวจริงที่ได้ชื่อได้นามออกมานั้นไม่มีในเราเราไม่เห็นท่านเห็นนี่สิมันต่างกันตรงนี้การประพฤติตัวของพวกเราที่ไม่มีเครื่องยืนยันไม่มีผู้ชักผู้นำไม่ไม่มีแม่เด็กเป็นเครื่องดึงดูดกันไป ด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งความรู้ภายในก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นมรรคเป็นผลนะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลนั่นเป็นความดึงดูดสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้เป็นไปด้วยคือเกิดกําลังใจเมื่อเกิดกําลังใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนไปตามกําลังใจคือกําลังใจนั่นก็เป็นแม่เหล็กอันหนึ่งเครื่องดึงดูดความเพียรพยายามความตั้งอกตั้งใจทั้งหลาย ห, หมุนไปช่องเดียวกันอันนี้เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธทำหลักวินยัยและไม่มีผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องดึงดูดของผู้มาอบรมศึกษาแล้วก็ใจก็นับบันแต่อ่อนลงอ่อนลงความอ่อนลงนั้นก็เป็นเรื่องของยิ่ลใหญนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรนี่ เพราะค่าสึกของธรรมนั้นมีมากต่อมากทาั้งๆที่เราปฏิบัติอยู่ก็ไม่พ้นที่มันจะเข้าไปย่ยํายีจนได้ภ า, ายในจิตใจและข้อวัดปฏิบัติของเราตลอดความภาคเพียรทุกด้านมันเข้าไปแทรกไปแซงอยูนั่นตลอดเราไม่เห็นนั่นสินี่เห็นมันน่าทุเล็ดเานาะแล้วสิ่งเหล่านี้เลยจะทําให้จิตใจของเราให้เหินห่างให้อ่อนตัวลงไปอืในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดถึงความภาคความเพียงเพราะกำลังใจไม่มีเนื่องจากไม่มีเครื่องดึงดูดคือผู้นำาล้วก็นับบันอ่อนไปอ่อนไปสุดท้ายก็ศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อของศาสนาอภใบลานบอกเรื่องมรรคเรื่องผลก็บอกไว้เฉยๆขี้ไปงั้นไม่มีใครมองดูเข็มทิศที่ชี้ไว้นั้นมีแต่กิเลสดึงไปลากไป ตามความต้องการของมันไม่ทราบว่าเข็มทิดหรือไม่เข็มทิศอันนี้ัทบทุกตัวมีศึกษาหรือไม่ศึกษาก็เป็นหลักธรรมชาติของกิเลิที่มันสังจมอยู่แล้วอยู่แล้วนั้นพาชุดพาล่าไปนี่สิมันจึงลำบากเอามากทีเดียว น, นี้เมื่อผู้นำ เป็นสักขีพยานไม่มีกําลังของใจก็ น, นับวันอ่อนลงอ่อนลงนี่ละสุดท้ายก็ท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านพระเหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสถานที่หรืเป็นเพศเครื่องหมาย เ, ยเฉย ไม่ใช่ตัวจริงเหมือนกับการแบบตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักทมหลักวินัยด้วยความมุ่งมั่นในอัตในธรรมมีแดนพ้นทุกข์เป็นสำคัญมเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เหลวไหลเหลวไหลไปเนี่ยทมให้วิตุวิจารอยู่ภายในหัวใจนี่แหละเพราะสิ่งที่ มันเป็นภัยมันมีอยู่รอบด้านตลอดเวลาไม่มีหน้าแรงหน้าผลละดูการสถานที่อะไรไม่มีที่นี่เป็นอากาศลิโกมันเป็นอยู่เช่นนั้นกลอมอยู่เช่นนั้นให้หลงอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะออกมาส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดของเจสตระเพืต่างๆมีแต่เรื่องกล่อมให้เพิ่มดับประจา ม, มันทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่จะเย็บยบ ให้รู้ว่ามันเป็นโทษบ้างเลยนี่ที่สําคัญมันถืงในกล่อมได้หมดเนี่ยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละโพลโพลนี่มาเปิดโลกกระถาเราเห็นอสิ่งที่มันปิดบังเอาไว้ก็เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเพราะสิ่งที่ทรงแสดงแล้วเหล่านั้นนี่แต่ของจริงซึ่งเป็นของมีอยู่มีอยู่แล้วทั้งนั้น แต่มันไม่เห็นสัต์โลกคุกเข้ากันอยู่ถ้าว่าแกงก็แกงกับหม้อน้ำร้อนมันก็อยู่ด้วยกันเดือดพ่านพ่านอยู่นั่นแล้วสัตว์ก็จมอยู่นั่นอยู่ในหม้อแกงนั่นเส้นเขาแกงปกูแกงปลาแกงเนื้อแกงอะไรนั่นเราก็เห็นอยู่แล้วนั่นเน่ะมันพัวพันกันอยู่อย่างนั้นยีสัตว์ก็ไม่เห็น สัต์ไม่รู้ทิ่งอย่าง น, นี้ไม่ได้นอกไปจากสัตว์จากบุคคลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไปพัวพันธไปสัมผัสสัมผันเดี๋ยวนี้สัตว์ตัวไหนก็ไม่รู้รจะทำยังไงนีน่มันน่าคิดอาตุเลิด เ, เอาจริงๆไงผมพูดตามความจริงให้เพื่อนผูงฟังว่า ผมสงสารจริงๆไม่ทราบเป็นไงแต่ตัวเท่าหนูก็ตามแต่หัวใจมันไม่ได้เป็นหนูว่างนี่เลยวะถ้ามันเป็นแม่เต่ตหน่อยอืมถ้าจะพูดแบบโลกก็เล่าสนุกดูเรื่องของสมมติเรื่องของที่เลยที่มันเกิดมันเผาจัดทั้งหลายในโลกกรทาดนี้ไม่มีเว้นแต่ละลายละลายเลยนี่เ เปิดออกเห็นหมดแล้วทําไงเอาอะไรมาสงสัยนั่นก็เมื่อเห็นดูเป็นอยู่งั้นผู้ทุกข์ผู้ลําบากส่วนมากมีแต่อย่างนั้นนรู้อยู่เห็นอยู่งั้นทําไมมันจะไม่สงสารเพราะสิ่งที่ที่เทียบที่เทียงกันอยู่เหมือนอย่างผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งคนหนึ่งตกน้ําเนี่ยผู้อยู่บนฝั่งเห็นดูผู้ตกน้ําจะเป็นแต่ตายแหล่เป็นอยู่งั้น ดินกระป๋อมกระแป่นอยู่ในน้ำเชือคลานอยู่ในน้ำแลำ้วทำไมจะใครจะไปใจจีดใจดำใจคนมีกิเลสก็ตามเมื่อเป็นข้อเท็จสริงแล้วจะต้องสงสารอย่างเต็มหัวใจยิ่งใจพระพุทธเจ้าใจพระรหันท่านซึน่งเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วคือพระนิพพานก็เทียบก็เหมือนกับฝั่งน้ำแล้วเห็นสัทั้งหลายจม อ, อยู่ในส ม, มุดประเภทต่างๆ อจนกระทั่งหลุมมหาเวจีนี่นะอย่างเลือกที่สุดของความทุกข์ความทรมานจัดแล้ยวทำไมจะไม่พ ร, พระองค์มีความเมตตาสงสารเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นอย่างไงนั่นพระองค์ทรงอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วผู้อยู่บนฟังไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานเลยกับเหมือนกับผู้ตกน้ำนั่นเทียบกันอย่างนั้นผู้อยู่ในหม้อน้าร้อน กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในมอรําน้อนต่างกันยังไงน่นนี่อ่ะเป็นเหตุที่พระองค์้รงมีความสงสารจัดโลกมากก็เห็นอยู่อย่างนั้นจะทำาไงควรจะฉุดจะลากได้วิธีใ้แบบใดก็ต้องพยายามฉุดพยายามลากเต็มพลังิตกำลังความสามารถอยู่ตั้งแต่วัน จัดจะรู้แล้วนี่เริ่มเห็นแล้วนะ่ะจัดจรู้แล้วน่เห็นแล้วนะ่ะเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นเรื่องเหล่านี้แล้วพระองค์ก็คล้องไว้แล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้คือบรมมาสุขนั่นเป็นพยานเทียบกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งผู้หนึ่งอยู่ในตกน้ํำติดกระป๋องกระแหว่อยู่ในน้ํา คนหนึ่งอยู่นอกหม้อน้ําร้อนคนนึงตกอยู่ในน้ําหม้อน้ําร้อนไปยังไงนั่นน่เทียบกันได้ไหมนี่แหละที่แบบพระเมตตาสุดส่วนสุดส่ดวนก็สุดอย่างนี้เพราะพุทองค์ก็สุดสมมุติอันนี้ก็เต็มสมมุตดสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวงสมมุติเต็มสมมุติด้วยกันทุกรายทุกหลา ย, ลายบาปกรรมมีมากมีน้อยจะต้องสเวยกัตามกรรมของตนทุกรายทุกหลา ย, ลายไม่มีกายเป็นอิสระได้แม่รายเดียวนั่น ท่านพ้นพ้นแค่โดยสิ้นเชิงแดนสมมุตินี่นนเรียกว่าร้อยต่อร้อยมันเทียบกันได้ปึงเปิงปิงแผ่นทีสักทิพยานแห่งมหันตทุกข์กับบร ม, มสุขนีน่แล้วทำไมพระ อ, อ, องค์จะมไม่ทรงเมตตาสงสารปิดได้ยังไงสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นจะไม่พยายานอย่างทราบเป็นไปได้ยังไง น, นั่นขอทราบอยู่นี่ถ้าว่าไม่เห็นยังไงก็เห็นอยู่นี่ น, นั่น ดูอยู่นี่แล้วลายใดประเภทใดที่ควรจะฉุดจะลากด้วยวิธีการใดพระ อ, องค์ก็ทรงพระเมตตาสงสารภาษาของเราเขาเรียกว่าตั้งเจตกายศึกพรากำลังความสามารถจนกระทั่งวันปฏิผานแล้วยังไม่แล้วมองย้อนหลังไปอีกก็ยังแอ่นอยู่อีกสงสารประทานพระโอวาทเอาไว้คือทม ทำที่ไหนนั่นแหละจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วหรือเราตายไปแล้วภาษาว่างนั่นถ้าเดียวกับพาดบันไดเอาไว้ให้ขึ้นผู้ที่ควรจะขึ้นได้ยังมีอยู่ก็ขึ้นไปขึ้นไปผ่านมาได้ผ่านไปได้ผู้ที่สุดวิสัยก็ปล่อยให้จมไปตามกรรมของตัดนี่นี่เป็นอย่างนั้น เนี่ยพระองค์ทรงสอนจัดโลกทรงสอนสด ส, ส, ส ด, สดร้อนๆอนไม่มีอะไรที่ว่าติดจังเลยเพราะความจริงเป็นของจริงไม่มีการสถานที่เระยวะเวลาทั้งหลายศัลยกรรมศัลยจริงๆอย่างนั้นอืไม่ว่าจะตกนโลกหมกไหมในขุมใดก็เป็นความทุกข์ความทรมานตามอํานาจแห่งกรรมของตนในในรกขุมนั้นๆนี่นนนอันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนใหญ่ ของความทุกข์นี่ผ่านพ้นจากนั้นขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆว่าหมดกรรมอันแล้วกรรมอันอื่นที่เป็นปีติเป็นย่ายป ร, ประจำอยู่ในจิต ย, ยังมีอีกมีอีกนั่นก็ต้องเสวยไปตามบุญตามกรรมเหมือนอย่างพวกเรานี่ไม่ได้ไปตกนรกพวกเรามีทุกข์ไหมล่ะน่ะฟังสินันก็มีอย่อย่างนี้จะว่างไงมีสุขมีทุกข์อย่างนั่นเรื่องนี้ดังที่โลกเป็นกันอยู่นี่ไง เหนียวที่ว่าสดสดร้อนร้อนเคยได้พูดเสมอว่าถ้าว่าไดเปิดตาดูความจริงทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปแล้วนั้นให้เห็นในเพียงขณะเดียวคือส0บนาทีเท่านั้นมันทำไมจะไม่สรบปสลายไปมนุษย์เราเป็นสัตว์ฉลาดทปแค่ความทุกข์เป็นยังไงเห็นอยู่จะประจักษ์เห็นประจักษ์ขึ้นมาโดยลบรดับอา้า ดูไปมันรอบด้านหเห็นหมดนะประจักษ์ไปหมดเอาฝ่ายดีก็ดูไปตั้งแต่พื้นเพื่อนี่จนมาะทั่งถึงบรมมาสุขนิ้ผ่านไปยังไงอ่ะเทียบกันดูทั้งดีก็เห็นอยู่มีอยู่อย่างนี้ชั่วก็มีอยู่เห็นอยู่อย่างนี้ประจักษ์กับตาของเราแค้ไม่ใช่ตาของไข่แล้วก็คลิปนาทีหมดเวลาติดตึ๊บอ่ะ ถ้าปิดสถานีก็ปิดประตูแห่งกรรมของสัตว์ไม่เห็นแม่สเสวย อ, อยู่ก็ไม่เห็นแล้วไปยังไงคนนั้นได้เห็นประจักษ์กับตัวเองมาแล้วเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สงสัยสัมผัสสัมพันธ์กับหัวใจดวงนี้เต็มหัวใจแล้วทํำยังไงกินนั่นแหละที่ว่าสสรุปสลายมันทนได้ยงไงแล้วใครจะไปกล้าทําบาต ก็ไม่เห็นมีชาตเนี่ยมีหรือไม่มีบาป่างอันบุญมีหรือไม่มีอ่ะนรกมีด้วยไม่ ม, ม, ม, มีสวรรค์มีหรือไม่มีมันประจักษ์กับตัวของตัวเองเต็มหัวใจแล้วจะดูได้ยังไงนี่หละผู้มีอุปนิสัยสามารถที่เชื่อพระพุทธเจ้าแม้จะยังมเรายังไม่เห็นตามที่พระองค์ทรงสอนในหลักความจริงนั่นก็าตามก็มีความเชื่อ หลังสังนึกสังนึกจนก้าวเข้าสู่อัจระตัฐานแล้ถอยได้ยังไงความเพียรนั่นสังที่ถีนมีแต่จะบึกจะบืนจะไปให้พ้นไปให้พ้นโดย่ายเดียวนั่นถึงขั้นที่ควรจะเป็นนี่ในบุคคลคนนั้นแหละก็อย่าง <c oughs> สติปัญญาของเร า, <c oughs> เราท่านๆเวลามันไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกคลาน แทบเป็นแทบตายในวันหนึ่งๆก็ไม่ในเรื่องเรื่องเล่ามันก็เปลี่ยนให้เห็นอยู่ประจักษ์ในตัวของเราเวลาเก้าขึ้นสู่หลักสูเ่เกณฑ์พอได้หลักให้เกณฑ์แล้วก้าเข้าสู่ความเพียรเป็นแม่เต็มหน่อยแล้วยิ่งได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนี่เป็นลําดับลาดับไปแล้วความเพียรถอยได้ยังไงนั่นน่ะนี่คนคนเดียวนี่เระพูดในฐานะของจิต <c oughs> ภูมิของจิตที่มันต่างกันต่างกันความรู้ของจิตสติปัญญาที่มีประจำจิตต่างกันต่างกันนแล้วลเป็นยังไงที่นี่ยังที่ท่านแสดงว่าเรื่องมหาสติมหาปัญญานั่นเป็นยังไงท่านเ่านี้ก็เทียบก็คัเทียวก็คือ่เหมือนไปเห็นนรกด้วยตาเจ้าของอเห็นนิพพานด้วยตาเจ้าของแล้วกลับมานั่นเองมันไม่ผีอะไรผิดกันเลยท่าน ท่านเหล่านี้ที่ว่ามหาจีมหาวัญญาเนี่ยนี่แหละคือตายก็ตายคำว่าถอยไม่มีเลยนั่นฟังอย่าอย่างไรก็จะให้ดูดให้พ้นโดยไถ่เดียวเท่านั้นมีเท่านั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยมีแต่เท่านั้นเท่านั้นท่านผู้นี้นับบันเวลาไว้เล ย, เลยที่จะต้องผ่านพ้นแดนสมุดโดยปรการทั้งปวงไปได้ไม่สงสัยนั่น คนคนเดียวนั่นแหละจังเดียวเวลามันเพิด ม, มันเพลินดเนื้อหลุนตัวก็คนคนนั้นแต่เวลาได้เห็นโทษเห็นภัยแห่งความเป็นไปทั้งหลายเพราะการคือปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนมาแล้วก็ยิ่งเปิดไปเปิดแต่ก็ยิ่งเห็นชัดไปชัดไปแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายคําว่าถอยถอยไม่ได้แล้วแพ้ไม่ได้แล้วถึงแพ้ก็อาตายเท่านั้นแพ้โดยตายมันจะแพ้โดยการยอมจำนน นี่ก็ตายเท่านั้นไม่มีทางที่จะต่อสูแล้วตายเพราะตายเท่านั้นเองนี่เราเทียบในสามัญชนเราธรรมดาถ้าได้กรรมเปิดหูเปิดตาให้พวกเราได้เห็นเพียงเท่านั้นแหละอย่างไรก็เป็นแบบที่ว่านี่หมุนติ้วเลย น, นี่เมื่อมัาไม่เห็นมันก็ต้องนอนใจยื้อไม่ยีก็ลบล้างด้วยว่าไม่มีนี่สิเมื่อไม่เห็นนนั้แล้วยังไม่เหลือยังลบล้างด้วยความไม่มีของที่เดชประเภทนี้อีกมันเป็นชั้นๆของที่เดชที่ปิดบังหุ้มหอดจิตใจสัตว์ทั้งหลายจึงทําให้สัตว์ทั้งหลายนอนใจนอนจมใครอยากนอนใจใครอยากนอนจมไม่มีแต่สิ่งที่กล่อมมันมีดังที่ว่ามันเดชมันกล่อมมีตลอดเวลา นี่พระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์นี่จึงทําประโยชน์ให้แก่โลกหรือขนจัดให้พ้นจากโลกให้บรรเทา เ, าเบาบางในกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีนั้นมีจํานวนมากมหาศาลไม่มีใครเทียบแล้วในโลกนี้ที่ทําประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์พระองค์นะแต่จากนั้นมาก็ภาษาว v o ่ e ทําประโยชน์ให้โลกแทนพระพุทธเจ้าทําให้เบาพระ ภาระหลวงมากมายนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้ามาแต่สรู้แต่ละงพ์เป็นการเป็นเวลาเป็นสมัยที่อัศจรรย์อมากมายไม่มีสมัยใดเหมือนสมัยที่พระเจ้ามาแต่สรู้ทำสั่งสอนจัดโลกแล้วลื้อผลสัดโลกให้พ้นจากความกันดานทั้งหลายจนถึงขั้นยอดเยี่ยมแม้ไม่ถึงขั้นนั้นก็ ได้บรนเทาเบามันไปในกรรมไม่ดีทั้งหลายแล้วเพิ่มพูนบา ร, รมีความดีทั้งหลายขึ้นเป็นลำดับกำดาเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะจมอยู่นี้ตลอดไปไม่มีทางออกไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีใครรื้ใครชุดใครลากก็จมอยู่นั่นนี่พวกเราได้มาบวชในพระพุทธศัจฉันาถ้าไม่ให รีบตักตัวงอาเสียในเวลาเช่นนี้เราจะหาเวลาใดที่ดีที่เลิศที่เหมาะสมยิ่งกว่าเวลาที่เรารงเพศของพระอยู่เวลานี้ไม่มีโรคจะกว้างแสนกว้างไปหาที่ไหนก็ไม่เจอถ้าลงหาในเพศของพระเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความเพียรให้พ้นจากทุกข์ไม่เจอแล้วที่ไหนไม่มีทางเจอ ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้โลกนี้กว้างแต่จะไปเจอโอกาสวาสนาอำนวยในที่ใดแห่งใดแห่งหนึ่ ง, งนี่ไม่หนิถ้าไม่เจอกันในตัวของเราถ้าไม่ค้นหาในตัวของเราไม่คันขวายในตัวของเราแล้วจะไม่เจอแม้มรุญนิพานขั้นใดก็ต่างไม่มีทางเจอว่าจะเพราะไม่มีอยู่ในที่อื่นใดจะมีอยู่ที่หัวใจของจัตโลกนี้เท่านั้น เพากิเลสอยู่ที่นี่ค่าศึกอยู่ที่หัวใจธรรมที่เป็นคุณค่าอันประเสริฐจึงอยู่ที่หัวใจแก้กันที่ตรงนี้ชะล้างกันที่ตรงนี้หากเราจะมาอยู่ด้วยความประมาดดังที่เคยเป็นมาและสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างนี้เราก็จะเป็นประเภทนี้ไปเรื่อย ไม่มีวันตัดสินให้สิ้นสุดยิติตรงไปได้ว่าวันใดเปลือนเนดือนใดปีใดชาติใดพบใดกับใดกันใดก็จะเป็นอยู่ทํานองที่เป็นมาแล้วนี้หาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยประมวลเข้ามาเลการอบรมสั่งสอนตนเองเมื่อได้อุบายจากครูจากอาจารย์แล้วนําเข้ามาซักไซละเรียนตัวเอง ให้มันถึงขั้นจนกาอบเป็นมุมบ้างซิคิดนี่มีแต่เราจนกรอกจนมุมให้กิเลสทั้งนั้นแล้วก็เพิรนอยู่ด้วยความจนกรอบเป็นมุมของตนโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันขัดตับถ้าเราผู้ปฏิบัติกรรมากรรมาฐานกรรมาฐานนี่อย่างมากมายทีเดียวเนี่ยที่ทำให้อิจตกวิจาร์บเพื่อนกับฝูง เี่ว่าแม้แต่ตัวเท่าหนูก็ตามเล่าพูดกับหมูกับเพื่อนเราพูดด้วยความเมตตาเราพูดได้อย่างองคอาจกล้าหาญว่าหัวใจนี้ไม่ไม่ได้เป็นหนูว่างั้นเลยสิ่งที่มาเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่มันเต็มหัวใจถอดออกจากความเต็มหัวใจนี้มาสั่งสอนหมูเพื่อนจึงไม่มีความสะทกสะท้านว่าจะผิดที่ตรงไหนยถ้าหมูเพื่อนจะดําเนินเดินตามนี้ก็สมควรที่จะเดินได้แล้วมาประมาานอนใจอยู่ทําไม เพราะผู้สอนไม่ได้สอนด้วยความสงสัยโนเทศรูปดำกัมตาอะไรมาสอนหมู่เพื่อนนี่สอนเวลา ม, มืดก็บอกว่ามืดเวลาล้ม ล, ลุกคู่ครานก็บอกก็เคยพูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หวนมันไปยังไงค่อยเลื่อนไปยังไงเรื่องความภาคความเพียรเรื่องจิตใจค่อยเลื่อนฐานะขึ้นเป็นยังไงยังไงเล่าไปหมดตลอดทัดถึงเต็มความสามารถน้งเจ้าของนจะให้พูดอะไรอีก มันก็หมดเท่านั้นแล้วพูดด้วยความเต็มหัวใจเราเพราะเราไม่สงสัยในธรรมของอุริจ้าที่ทรงสั่งสอนไม่แล้วตั้งแต่ขั้นเป็นมหันตะโทษมหันต์ตถุกจนกระทั่งบรมมาสุขเราไม่สงสัยทั้งทั้งสองเมื่อเนอเมื่อนโทษกับเมื่อนคุณโทษมหันตะตโทษก็เราก็ไม่สงสัย บรมมาสุขมหันตะคุณเราก็ไม่สงสัยมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉนั้นจึงกล้าพูดเต็มปากด้วยความสงสารหมู่เพื่อนไม่ใช่ด้วยความโอ้โอวดทําตั้งหลายโู้วดแต่หาอายนี่ยเกิดประโยชน์ไอาเนี่ยไม่มเกิดเอาความจริงมาพูดเพื่อเพื่อผู้ต้องการความจริงอยู่แล้วให้ได้ยึดได้เกาะให้ได้ เป็นสัตว์ปัญญาฝังหัวใจไว้แล้วก้าวไปตามนั้นสิ่งที่ควรละก็จะได้ละเต็มหัวใจสิ่งที่ควรจะให้เกิดให้มีก็ก็ได้ตะเกียบตะ ก, กายสุดกําลังความสามารถก็มีเท่านั้นการแนะนําสั่งสอนให้มีอย่างอื่นยื่งแ่เข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่เอามองดูเพื่อนดูฝูงเฉพาะอย่างยิ่งในวัดของเรานี่ผมไม่ค่อยแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลานี้ก็เพราะดัง ก็เพาะเหตุบางที่กล่าวมาแล้วนี่แหละไม่อยากเล่นกับอะไรแต่เวลาตามันแทบออกมามันทำไมไมึงโดนเอาโดนเอาไม่ว่าทางหูทางตาที่ยาอันใดที่แสดงออกมาจากผู้ปฏิบัติทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่ที่ <c oughs> งันเป็นลักษณะคลิกลักษณะขนองอยู่ในนั้นนะนี่ในนั้นนะเจ้าของยังเผลอยังไม่รู้ตัวเลยทั้งทั้งที่เรามาเด้เสาะแสวงหาโทษท้าภัยของใครที่จะมาประจาน แบบโลกโลกเขาแต่หลักธรรมชาติมันปิดไม่อยู่สิเห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้บอกว่ารู้มันทราบเรื่องราวหนักเบาแค่ไหนความผิดถูกดีชั่วประการใดของหมู่เพื่อนทําทําไมมันจะไม่รู้นี่สิทึงมันหน้าตูดเลือดจึงได้พูดว่านี่ต่อไปนี้จะรับผ้ารับเนินมากมาได้แล้วรับมาเขามาอย่างนี้ยนี่แต่ความหนักหน่วงท่วงหัวใจ มองที่ไหนมันเหมือนซุงทั้งท่อนซุ้มทั้งท่อนจี่ ข, ขวางอยู่ตามวัดตามมาตามสถ า, า, าที่สังข์ซึ่งพระเนรประอยู่ที่ใดสถานที่นั่นอันนั้นมันกลายเป็นซุงขึ้นมาหเห็นชัดชัดชัดชถ้าตั้งใจมาศึกษาหลดูจริงมันทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่สิมันทำไมกินออกมากสติปัญญามีไม่ใช่นี่มันออกจากความโซ่โซ่ซาซความไม่ใช่สติปัญญาแบบรับหูรับตาเดินรับหูรับ ตาทำรับหูรับตาประกอบความภาคเกียรมันเป็นแบบนั้นมันไม่ใช้สติปัญญาเลยมันจึงกระจายออกมาิริยาภายนอกให้เห็นอยู่ชัดๆนั่นนี่นมันอดพูดไม่ได้เพราะมันเห็นแล้วคิดแล้วเห็นอยู่คิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเห็นลายไหนมีความแยบคลายมันยากจะเห็นพอแยบผ่ไปโดนแล้วเนี่ย แยกไปตรงไหนก็เห็นแล้วทั้งๆ ท, ที่ไม่ตั้งใจจะเห็นเลยไม่อยากจะดูนั่นอ่ะท้งที่น่ะมันเบื่อจะเห็นแบบนั้นมันเบื่อจะได้ยินแบบนั้นไม่อยากดูไม่อยากฟังทั้งๆ ท, ที่ลูกติดลูกหาอยู่ในวัดเราแท้ๆมันทำไมมันถึงเบื่อเห็นเมื่ อ, อไรมันก็เป็นอย่างนั้นฟังเมื่ อ, อไรมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรแยบคลายที่เป็นอัตตตามขึ้นมาพอให้เลย อนุโมทนาในผลแห่งการแนะนำต่างสอนของตนแก่หมู่เพื่อนบ้างเลย<ม>นี่สิมันโอดคิดไม่ได้นะให้ทายังไงทํำยังไ ง, ง, ไงถ้าก้าวเดินไม่มีแบบแล้วยังไงก็ไปไม่รอดนะแบบคือหลักทำหลักวิไนแบบทางเดินก้าวเดินทางความเพียรก็คือสติปัญญานี่สําคัญมากทีเดียวอันนี้สําคัญมากที่สุ สติสติเนี่ยสําคัญออกมากล่าวแตงนั้นก็เป็นปัญญาต่อไปสติกับปัญญากลมคืนเป็นเดียวกันแล้วนั่นถึงมันจะได้เห็นโทษของตัวเองจิตใจนี้มันสั่งสมตั้งแต่โทษทางนั้นแสดงตั้งแต่โทษออกมาออกมามันสนุกดูเรื่องของตัวเองในขณะเดียวกันมันก็เห็นเดืองจากแก้จะถอดจะถอนกันไปโดยแบบตำหดานี่ในขณะที่เห็นกิเลสมันก็เห็นธรรมไปด้วยกันจเจอกิเลกก็เจอธรรม พอเจอที่เดล็ดฟาดกันน้ําก็เจอธรรมขึ้นมาเปิดออกเปกวที่เดล็ดออกก็เจอธรรมขึ้นมาไมนั่นเมื่อสติปัญญาก้าวเดินแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งใดที่มีอย่างไงเป็นอยู่ไงไรชีวิตเจ้าทรงกาหนดอย่างไรทรงชมเชยสรรเสริญยังไงที่จะเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาประจักษ์ในหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแหละเพราะท่านประธานเรือ่อแสดงไว้แล้วเป็นแต่เราไม่เห็นไม่รู้เฉยเวลาเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วเอาอะไรมาสงสัยเนี่ย พงศ์สอนหมดแล้วไม่รู้ถอนได้ยังไงนี่นี่ที่มันสําคัญมันจะหมดไปหมดไปในเวลานี้แล้วกรรมฐานจะกลายเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นมาแล้วเดี๋ยวนี้มันเลยยิ่งจะหนักหน้าขึ้นไปมันจะไม่สนใจในอัดในทำทานจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิสอนหนามันจะไม่สนใจ ให้ทันสมัยแบบโลกเขาให้ทันโลกเขาอืให้เป็นพระล้ำยุคล้ำสมัยไปนี่อะไรกันเละเมันดึงลากหรือดึงลากคอเราพวกมาปฏิบัติของเราไปใต้แบบนี้อ่ะภาการทราบแล้วยังืตื่นไปอยู่อะไรตื่นหาอะไรพิจาราเรื่องเกิดเรื่องตายมันกองกันเต็มโลกสงสารแดนสมมติอยู่นี้สงสัยตรงไหน ว่ากล้าไปไหนจะไม่เจอปา่าช้ากล้าไปไหนจะไม่เจอความตายนล้ตื่นหาอะไรตื่นปา่าช้าตื่นความตายดิ้นปหาอะไรดูลักธรรมชาติทั้งมันที่ผิดความเป็นความตายขึ้นมามันมีเชื่อมาจากไหนนี่สิดูตรงนี้เลยมันเห็นตรงนี้แล้วมันมันได้ตื่นรู้หมดกับตู้จีนทุกอย่างลวนลายของกีเดียดมันออกแง่ใดมุมไห น, น, ไหนรู้มันหมด นั่นที่เรียกว่าทำเหนือโลกเรียกว่าโล ก, กุตรธรรมคือทำเหนือโลกน่ะแต่ให้ได้ศับได้แสงให้มันเท่าถึงใจพวกเราเมื่อทำเหนือแล้วมันเห็นหมดซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยเห็นแต่ว่าเวลาเหนือเข้าไปแล้วปิดไม่อยู่เห็นหมดเห็นหมดรู้หมดรู้หมดรู้หม ด, ห ม, ดมันจะอยู่ในหัวใจใดปิดไม่อยู่เพราะเป็นคิดเด็ดประเภทเดียวกันน่ะ ทำเหนือกว่าเหนือกว่าแล้วมันไปไหนมันก็เห็นหมดนี่ตอนที่วิเวณมันเหยียบทำย่ำย่ำย่ย่ำทำลายทรนี่มันไม่เห็นมันจึงสนุกสับสนุกย่ำพวกเราทั้งหลายวัตถุนี่นะสำคัญมันกรรมฐานเรามันเป็นบ้ากับวัตถุ อ, อ้าวอดฤกษ์นะเขานิยมอะไรไปเป็นบ้ากับเขาไปทํากับโลกไม่ใช่อย่างเดียวกันถ้ามันอย่างเดียวกันนี่จะมีคำว่าทำยังไงยังเป็นบ้ากับโลกอย่นั้นจะบ้ามีทำอะไรอี๋นี่ก็ไม่มีมเลยเไปก็รี่สึกหนือหน่อยๆพอและเจ็บตอนนั้นแหละเจ็บไปขาดไปพอละ เทศไปหลงลืมไปด้วยไม่ติดไม่ต่อกันนะไม่เบี่ยงพูดตัวนี้มันก็เป็นอย่างนี้จะว่าไงบังคับอะไรมันก็ไม่พ้นขาดที่เห็นต่อหน้าต่อตาลืมไปพูดไปเรื่อยลืมไปเรื่อยอย่างนี้ใจไปเทศที่ไหนได้บปฏิญมีอะไรอะไรจะแจกกันแช่การสอนการละตนะกระดังที่ผมเคยนั่นมาแล้วผมไม่สนใจกับอะไรนะมไหนคนแช่คนสสาอนนะจมันแช่แต่สอย พายว่ามีบริการอะไรก็ตัดไปตัดเดียวกันใช่ไหัดเย็บอยู่วันมันก็เล่นมา่อไหร่จักสักห้าหลังฟาอกอยู่เป็นเดือนกว่าจะเสร็จดูที่ะไหอเป็นเดือนนึงนะจักสักห้าหลังสี่หลังห้าหลั ง, ล ง, ลงไม่ใช่เล่นๆขนาดนั้นเองเป็นเดือ น, นมันเป็นพาระมากไหมล่ะที่นานสือนั่นจากนั้นถ้าอยู่หลายคนหลายองค์ เปน็นปางานเป็นงานไหนทำหาเทศไม่ได้น่าล้างทุกวันนี่แกไม่ได้ น, น่าเลยนะมันโหดขนาดเดียวมันมันมันอยากเล่นกับอะไรเลยเนาะผู้เห็นคนนี่มันหลบเพราะงั้ผมจึงไม่ออกมาข้างนอกออกมามันกระลุ่มยิงทักมีอยู่ไม่ขานยังเป็นเหมือนกับว่าเข้าห้องขังผู้ต้องหาอนี่นั่น แล้ววันไหนฝนตกก็เข้าไปเดินอย่งคนไม่ได้เส้ยก็จะเดินอยู่ข้างบนเดินอยนั้นกางคืนมันก็เดินเพราะนอนไม่หลับมังก็เดินยืดเส้นยืดสายเดิ น, น, นแม้จะเดินอย่างนั้นจิตมันยังไม่ออกมันไม่คิดมัมีไม่ระวังอนะนุ่ยเฉยมันไม่ได้รู้นั้นดูนี่แย่ออกไปแย่ออกไปงั้นเพราะว่ารู้ว่าพักนั่นพักนีนี่นั่นก็นยังดีมันมี ดูกลงหนึนาดนั้นมันยังไปตกพักกี่มีพักนอนมีพักผุนรับแขลมันมันก็ตกพาล่างจนได้วันหนึ่งไปตกนั่นเพื่อมันไม่กินไม่ออกมันก็ไม่ออกมันก็ออกไปนั่นกินไปตกเดินไปเดินไปทำอะไรก็ตามมันไม่ออกมันไม่คิดเด๋ย่เนี่ยมีรูที่เฉยมียาของขันไม่ใช่แล้ว ทั้งขานขันสัญญาขันไม่ออกทํางานบางทีก็เทน้ำลงไยทั้งทั้งติดฝาเนี่ยปิดนะนี่โจกนะเออมี่ฝาปิดองนี่มันยังยกขึ้นกดน้ำใส่นี่มันไหลไปหลังดูสิห่ะคุณไม่ออกมก็ ม, มันก็ไม่ได้สนใจว่าฝามีไม่มีนุ้ยเฉยแันยับว่ายกมืยกอันนี้ไปสั่นๆตอนนั้นมันหยุดแล้วทางาน ฟาดน้ป็นฝานโอ้เป็นอย่างนี้แล้วก็ยนแล้วก็วก น, นั่งพิจารณาโอ้เป็นอย่างนี้ก็เราไม่เผลอไม่ไฝไปไหนแต่มั น, ม, นมันไม่ได้ออกนั่นโหดขนาด น, า น, น, าานั้นเลยดินยังือก็ไหวกันะเดินยืนทางกงไหนเดินไปบางทีมันมันไม่อะไรเลย รูอ้เฉยไม่ไม่ไมปรากฏถนนทุนทางอะไรเลยรู้เฉยไปไหนเนี่ยพอพอมันเตงงั้นแล้วมันก็เดินออกไปนะี่เดตงงั้นเขาขาวมันก้าวไปเรื่อยนี่ไม่ได้ไปตามทางแค่แแบบนู่นมันไม่เหมือนอย่างที่ว่าชุนมูลของกอมเพียนนั้นมันต่างกันอันนั้นมันเทอนในความเพียนหมุนที่อยู่ที่อยู่ก อ, อันนี้มันไม่หมุนมันเฉยลู้เฉย นี่ก็เดินมันก็แชล์ออกไปอ๋อชแชร์ขั้นนี้เป็นอย่างนี้ก็ว่าแล้วนี่ยอ๋อข้าวนี้เป็นอย่างนี้ชแชร์ออกไปนอกทางมันไม่ผิดแล้วก็มาทานเราไปอยู่ที่ไหนมันเป็นบ้าจะ ก, ก่อสร้างเนี่ยผมโอ้ โ, โ, โทุเรีศจริงๆนะอุบาจานทร์พาทำพานั้นไม่ฟังไม่ดูนี่อย่ ที่ทำไงนี่แมันบอกคุยจาญเนี่ยความดือ้อความมืนของพระเรามันจะเอานั่นแหะไปบวชโลกเขาแผนครูวาจ า, ารย์พะดำเนินตามที่ไปศึกษาไม่สนใจนี่มันทำให้โอ้เราไม่ทุเลยกอันนเหมือนกันเรื่องการก่อการสร้างพระยิ่งเต้นขนขวายอย่างนี้ใหม่ แม้แต่ญาติยดโยมเขาจะมีศรัทธาสร้างทำอะไรหลายๆภาคซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ในนั้นก็ยังต้องในที่นี้พิจารณาว่าควรมากควรด้วยไวรมากน้อยอย่างไรอยู่โดยดีเนะนี่จะขอมัน ไ, ไปเป็นบ้าซะเองสร้างอะไรที่มาอวดโลกเขาหาเหตุหาผลไม่ได้แล้วจะเอาอันดใดไปแก้ที่เด่นผลไม่พร้อมแก้ที่เด่ดได้ยังไงแม้ว่าที่ เ, เด่นประเภทใด นั่นเลยถ้าเพียงเท่านี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเล ย, เลยแล้วจะเอาอะไรไปแก้ยิ่เดียวนี่มันทำให้คิดในไหนนี่มีอะไรยุง่งแต่การก่อการสร้างเป็นพระนักธุรกริจนักธุรการเข้านอกออกในได้สะดวกสบายถือว่าทันสมัยเดี๋ยวนี้เป็นยังไงกลรบมาฐานเราเข้านอกออกในกระจบประแจเงีเ้ยแข้งเรีอกขานี่นี่แหละ โ, โไม่มีลักษณะของธรรมเกี่ยวกับมัเลยนี่ทำไมมันแต่โลกอย่างนี้ก็ต้องภาดไหนภาดไหนก็รังไลมาทงางภาษาขเราไม่ว่าท่านว่าเราความรู้สึกมันเหมือนกันหาที่ชุ่มที่เย็นหาที่ เ่งเป็นเพื่นตายเที่ยวเชื่อใจได้ก็ต้องไปอย่างเราเสวงหาคู่วาจังเนี่ยท้่นก็ต้องส่องต้องแสวงหาอย่างนี้เขาก็เหมือนกันไปที่ไหนมันชุ่มตาชุ่มหูดูอะไรก็ชุ่มเ ย, ยน็นก็น่าอยากดูอยากฟังอยากไปน้องไอะเรามีเรื่องแต่แบบขี่หมูขี่หมาเนี่อ ย, อยาจะจับ มองแต่ที่แบบมุดทะลุแบบหน้าด้านนี้มันแก้ไม่ไม่มีใครจะสอนได้นะถ้าเบินแบบนี้แล้วเอเล็กเขาเรียกว่าทองก้นเบ้าเหล็กก้นเตาทองก้นเบ่าหมดล่ะมันเป็นเหล ก, ก้นเต่าไปแล้ว องขาเมื่อพระจำอย่างหลายมาที่รับแม่เนาะผมอกก็แก่แล้วแบบเข้าที่มีอย่างนี้ผมก็หนักมากแล้วอย่าีเพราะผมแนะนาสังสารมรดก่อนไม่ได้แล้วมองดูมันจำเอาตําอาจำเอมันคือเป็นผู้เล่นผมนี่แม่ไงว่างดูพระดูอย่งนี้แล้วไม่มาหาเพื่อเพื่เป็นความสุขโลกเขา เมาสมัยนมันต่ำเน้ะสะดุดตืตอเกก็คือความแข็งการอรื่นเองแส็งหูแั้วมีค่าทางของนักภาวนา้วนั่นเลยเนี่ยนสำคัญเลยค่าทางของนักต่อสู้ค่าทางของนักภาวนาไม่ติดกิานั่นเลย พอให้ทราบว่ามันออกมาจากใจนั่นมีแต่กิริยาแบบเกิดเล่าออกมาถึงสังเวก็ถึงคร้งนี้ก็เมื่อเช้าเมอเ้าก้าวแข็งกว่าพูดแค่นั้นอ่ะผมไม่เห็นมันขึงใจกับอ <um ่ะถ้ามีอะไรเราก็ไปทาไปที่มันจะเกิดประยชนจากมันนะ ของเรานี่ก็ไปทําครันเองเกิดว่าเกิดประโยชน์อะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์เนี่ยจะเถียไว้ทํามาอันไห น, นยู่งปประโยชน์ก็ต้องทำงนทั่นี้การใช้ออกไปยุ่งประโยชน์ก็ใช้ถ้าเก็บก็เก็บเพื่อประโยชน์เนี่ ย, ยเกิดว่เกิดประโยชน์อะไรเวลาติดพระพุทธเจ้ากับพวกเราที่ต่างกันต่างตรงนี้อันหนึ่งนะ พจะพุทําประโยชน์แก่โลกด้วยความเสียสละนี่เราจะไปทําประโยชน์แก่โลกด้วยอะไรด้วยการเห็นแจได้ความเห็นแก่ตัวความเป็นอิสยวความสั่งสมอย่างนั้นเหรอวินาทีนี่สิ่งนี่ยมันทุเร็กแตตายไปนะอือนี่ต้องทุเล็กวีบารุ่งนี่อย่างั้น เอเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ไปใช้บาตรทั้งๆที่เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธไม่มีใครสบาบแท้จริงมันเห็นดูวยนะว่างั้นเลยเนี่ยยิ่งจะเลยมากงั้นกลัวตายชจะยิ่งจะตา ย, ตายอ้าว่าเป็นนะเป็นอย่างไรไม่ก้ายเจ้ประทานให้แล้วบาตรลงละลูกแล้ะลูกล้ะลูกอเดือนละสามสิบาท สมมตเรามันวันละสามพันบาทสหาว่างเ <laughs> ลน บ, บาทเล่น บ, บาทเลื่นบาทรับบาท ผ, กรราผมกนะ็เป็นภาระของผมหนึ่งนะม่ใช่เรื่องหนะสมถะผมรับบาทเป็นภาระอันหนึ่งกับวัยของเราหนึ่งกาลังวังชาของเรานึ่ขนาดนั้นเราผมโคลนต่อโลกนะความถึงศารใครก็จ่ออยากใสกจะใส่ค้อท่ า, ท า, ท า, ทาเราเลยจะพังมันเป็นตว่ามานั่งวันห น, นึ่งมันแสดงไม่มาผมเลยแคนั้นละ เหมือนผมเคยแสดงเยอะอย่างนั้นแหละกับเขาจริงๆมันยังเคยเป็นเคยแสดงตลอดเคเป็นธรรมดาคือคือเราก็เอาจิตใจใตของโลกความเจตนาวางอยู่เราหัวใจเป็นของหายากเราสมเคราะหัวใจทนเราก็ทนเอาถึงลำบากเข้ามาด้วยความมุ่งหมายอยากจะทามือให้านออกสบาตรกับเราเนี่ยเอาหัวใจโลกนี่เวลาบิดาบ่บาไปนี่ลาไป ก้มลงก้มลงเงยขึ้นมันยนยนหนึ่งยันงานยังทนยังฝืนบปเลย้เดี๋ยวก็ขึงขึ้นมานี่เอาแต่หัวใจโรคหัวใจจะขอมจะพังเรื่อยยังนั่นขึ้นเ่าจะหัวใจโรคหัวใจจะของกาลังจะพังเรื่อย่างนั่นยังงั้นแหละจอดจะว่าอะไรเกิดก็แล้วแต่ที่นายเองมันมันทักกันยางนั้นป่ะปั๊บเกิดยเรื่อ เดียว ม, ม, มันเป็นธรรมดาจะเล่าเราเขาไม่ใช่คุยว่ามันเป็นเรื่อยเป็นเรื่อยเรื่องน้มันจนแบบเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นอู่เรื่อยเรื่อยมีอะไรอะไรมันก็เป็นนี่เล ย, ย เ, ยเรเยเยื่อยเรื่อยมีจังหสองรอบสามรอบเดินทนออาธรรมดาก็ไปสองสามรายแล้วส์หนีมาแล้วยิ่งนับวันมากขึ้นมากขึ้น เรียงลดับลำดันั่งก็อย่างนี้แล้ก็ดูอมูเพื่อนดีนั่งตามสภาพเลยพอสะดวกสบายบ้างท่าไหนก็นั่งไปข้าเรือทั้งนู่นเอฝนตกทั้งเพราะว่าตกทางด้านโน้นมากไปทางน้องคายไปตกหนักองร้านนี่นี่ท่านพ้นอะอคน้นไ่มาฝนตกหนักมาตั้งกันโนนที่ท่านมาเลยเส นี่ค่อยจ้างมาจะมาสากอุดร์มานี่ล้วไม่มีฝนแค่มาหาวันตรามานี่เท่านั้นเช้าเนี่ยถ้าตกก็แย่ก็ธรรมด า, ชาเช้นี่ยเนะพราะคนมากกันมาเขาไม่ตกลงมาถึงแ ย, น ย, งย ก, นงแกนี่แหละเราบันดาลท้งล่างหมดฝนถ้าที่มาอบรมกับผมนี่ก็มากมา ก, กนนะาาั้งแต่เราสร้างแบบอีแบบนึงแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบที่บบผม ทำให้ผมอ่อนใจเอามากอันนี้ย่างนี้นนะอนนพอมาคนที่เกจะเข้าไปเหยียบย่าเอาออความสบายความสบาย น, า น, แบบนี่ทนได้แบบมอยู่ความสบายสบายเลยอ๋จากนี้แ บ, บไปนล้วมันเป็นผีขึ้นมาหเห็นต่หน้าต่อตายอยู่หรือว่า ง, า ง, งนันบอกชัดๆอย่างนั้นเนี่ยพูดโดยที่ศึกษาหลวงพ่อมแม่ครูจัน ที่เราเคยพูดมันก็อย่างเดียวกันมาอยู่กับเราก็เป็นอย่างนั้นพอไปแล้วกองไม่พนที่จะเอาความส บ, บายเข้ามาเหยียบหัวเป็นได้อ่ะควาอดความคนความาวิสากะยามยตามปฏิปทาหลักธรรมหลักวินยัยหลักครูอาจารย์ทางเหมื่อนี่ขึ้นกั้วขึ้นกั้วไปเลยนี่ที่มันจะเอาความส บ, บายส บ, บายเข้าว่าเขาว่า ก็เรื่องอย่างนี้มันเป็นมาทั้งเท่าไหร่แล้วถ้าเาเจองั้นเราจะไปหาทําไมหาครูหาอาจารย์ความสบายนี่มันเป็นประโยชน์แล้วก็เอาความสบายที่เป็นประจำเต็มเลยไม่ต้องไปหาครูหาอาจารย์หาศึกษาทําไมอยู่กับท่านเพื่อความสะดวกสบายท่านเองให้ท่านหนักใจมากเราคอยพวกคอยคุมคอยคอยนี่ที่เราหนักบางรายนเรียกมาเจียวมันน่ มันหยากขนาดนั้นนะท่านเอ็นที่อยู่ก็ไปอยู่กับว่ามครูอาจารย์มั น, น, นโอกแค่แตกนะักเรียกมาเจียวหลงทิพย์เป็นไม่มีหูม่มตาเหลือถึงแม้ไม่ดูหมู่เพื่อนมาศึกษาหาไหลนีขนาดนั้นนะมัมาขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางวัดขวางว่าขวางครูอาจารย์สมัยนะขนาดนั้นก็เอาแล้วนะผมอยู่น้องขือได้ลงขนาดนั้ น, นมีมันได้พูดที่ว่า เวลานี่มกาลังซ่อนเล็บนะนี่อยู่กับกูวาจานี่เวลาออกไปแล้วมันจะกลางเล็บเต็มเพลงมันแล้วมันก็คิดที่ไหนล่ะจพูดนีใครมีลวดลายมันก็ออกเต็มลวดเต็มลายนั่นมทุเรศจริงๆนะคิดอันนี้สําคัญนะไม่ใช่หรืออันนี้ดวงนี่พิจารณาไปมันเห็นดูว่าเนี่ยมันขาดต่อเห็นต่อหน้าต่อตาเ่ยมันจะบอก อุท่านปังไปมากได้อื่นมาได้ยังไงเนี้ยดีปังเลยเนี่ยเพราะอันนี้หลุดออกมันเหมือนกับว่าเขายังเขาดักเขาเป็นแล้วนะดึงคนของจ้องพ่อขาตับีปังเลยนู่นลเอียดเลยกินอันนั่นอ่ะดีในน้ำกันมันมันก็ใครจะเลี่ยนถ้าไม่ใช่ภาพปฏิบัติแล้วมันความรู้ที่เลี่ยนมากเนี่ยมันก็ได้เอาวิเล่เราเป็นเครื่องมือใช้เรียกหล่ะ มันไม่รู้มันสวมรอยไม่รู้นะทางทังนเรียนทำเอยขั้นเรียนมันเอาเอ า, เอาทำมาเป็นเครื่องมือใช่ไหเ็สวมรอยตกองแบบนั้นก็ว่าตัวรู้ตัวหลักสิเฮ้ยไปไหนอู้เหมือนพระใดวบิโดโอเคลื่อนที่หรอือสำคัญตนภาษาความจำเป็นป้าอะไรปะนี้แล้วมันเคยเป็นบ้ามาได้ดิยังได้พูดได้ ก็ไม่ก็ผมไม่ได้เลี้นเอขาเขาจะว่าผมบ้าอีาแบบเหมึ่งกันนะแล้วผมก็เลี้ยนมา ก, ก่อนมันก็เห็นในตัวของตัวของเลยเขาจะว่าบ้าก็ว่าไปสิตัวของม่นเป็นบ้ามันเป็นไรวะปากมันว่าเป็นบ้าปากเขาดังางๆแน่มันก็ไปหานใช่ไหของเราผ่านมาแล้วไงเนี่ยแต่ความจำไม่เฉยที่เลตัวตัวเดียว่็จะหนังบ่ตรหลอกมีถึงจะมันหนังหนาสิ่งเหลนะือเรารู้หลักลนักปราชญ์ชาติกวีว่า เร า, ยยาไม่ขี่ม้ายังนี่เลยไม่รู้สักตัวเดียวว่าตัวลูมันด้วยอะไรอะเอาอันนี้ออกเหน่